เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืด มีท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียว เป็นเหตุที่ชื่อวัดหน้าต่างนอกนั้นก็มีเหตุอยู่สองประเด็นด้วยกันดําเนินการก่อสร้างขึ้นเหตุที่ชื่อวัด ส่วนวัดหน้าต่างนอกก็หมายถึงทางนอกทุ่งก็คือที่ตั้งวัดหน้าต่างนอกปัจจุบันเนี่ยครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่ 2 ในสมัยโบราณนั้นพระสงฆ์ท่าน เช่นวัดหน้าต่างนอกท่านหมายเอาอายตนะภายนอกก็คือรูป ปฏิปทาของหลวงปู่เอี่ยมนี่เป็นที่เลื่อง ต่อมาหลวงปู่อินก็ลาสิกขาบททางคณะสงฆ์ก็อาราธนาหลวงพ่อจงซึ่งบวชอยู่ที่วัดหน้าตางในเนี่ย สร้างเป็นอนุสรณ์แล้วก็สร้างเรือหงส์ขึ้นอีกลํานึงจาก 93 ปี 10 เดือนท่านก็เดเด 3 พุทธศักราช 2508 เมื่อปี พ.ศ. 2509 หลังจากนั้นก็อาราธนาพระอาจารย์ก็ได้แต่งตั้งเมื่อปี 2510 พระอาจารย์วัยได้เป็นเจ้าอาวาสเพียง 5, 5 เดือนก็มรณภาพลงจากนั้นก็อาราธนาพระอาจารย์พุทขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระอาจารย์พุทเป็นเจ้าอาวาสได้เพียง 3 ปีอาจารย์พุทก็มรณภาพ ทางคณะกรรมการก็อาราธนาพระอาจารย์แม้นหรือว่าพระครูสมบูรณ์จริยธรรมจากวัดกลางครอง ในต้นสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านเกิดใน 8 ค่ำ 4 ปีวอกเป็นวันที่ 6 มีนาคม 2415 นามเดิมของท่าน หลวงพ่อจงท่านมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอีก 2 คนคือ ก็ทําไม่มีรูปร่างผอมโซไม่แข็งแรงหน้า ในท่านก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาก็ฟ่าวฟางมองอะไรแทบจะไม่ ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลบ้านมากนัก 12 ปีพ่อแม่ของท่านเห็นถึงอุปนิสัยของ โรคอาพาธยาธิที่ทําให้เกิดอาการผอมปี 2435 ท่าน โยมพ่อโยมแม่ก็จัดพิธีอุปสมบทให้ที่พัทธสีมาวัดหน้าตางในนั่น ศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วก็ธรรมๆพร้อมด้วยฝึกฝนในเอ๊ะทําไมหลวงพ่อ ซอสําแดงว่าน่าจะเป็นไปใน ซึ่งท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมีมากเรียกว่าเรียนมาจนขนาดหมดสิ้น ยอมเป็นศานุศิษย์ศึกษาวิชาอย่างไม่มีท้อถอยไม่มี ว่าไอ้อรัญญวาสีผู้ยิ่งใหญ่รูปหนึ่ง อารมณ์หวาดกลัวอารมณ์หวั่นไหวเปี่ยมพร้อมด้วยมีองค์คุณอันเหมาะสมที่เรียกว่า และก็ศรัทธาของชาวบ้านชาวเมือง เพราะว่าโรคภัยเบียดเบียนตามอายุไขชราภาพประกอบด้วยหลวงพ่อ ทำให้ท่านต้องรับภาระหนักในการทำพิธีรด <c oughs> ที่เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อท่าน เป็นก็เพราะได้ความคิดว่ามันเป็นการช่วยให้ตัวสามารถมองเห็นชัดด้วยตาทางอบรมบ่มจิตก็เพราะได้ความ จะทําให้ดวงจิตแห้งแล้งหดหู่ปราศจาก ด้วยสภาวะปรุงแต่งแวดล้อมครั้น ท่านจะใช้เวลายามปลอดแล้วก็สงัด สบนั้นถ้าทางรูปร่างเป็นอย่างนั้นนั้นท่าทางรูปร่างเป็นอย่างพร้อมกันนั้นก็กระทําจิตนานา เป็นอย่างนี้เสมอไปอย่างนี้เสมอไปร่างกายหนอชีวิตหนอต่างล้วนเป็น หลวงพ่อจงเป็นผู้มีอาทิเช่นเป็นผู้มีสัจจะคือผู้ซื่อตรงต่อ เป็นผู้เปี่ยมด้วยธรรมะคือเป็น ซึ่งหากทําไปแล้วผู้อื่นหรือสาธารณะ คือมีความฉลาดสามารถรู้จักว่าสิ่งใดทําแล้วเป็นคุณงาม เป็นผู้ใช้ศีลพอกใจตัวเองให้สะอาด มีมากมีน้อยไม่เท่ากันความมันถึงแตกต่อไปจะทําอะไรต้องให้ยุติธรรมอย่าไปเอาเปรียบอย่า ฉันเป็นเวลาแม้ว่าจะนอนไม่เป็นเวลา 94 ปีในปีสุดท้าย คราวนี้ก็เอาเราอยู่แน่ยังไงก็หนี พร้อมด้วยใช้เป็นเครื่องกล่อมเกลาบรรเทาทุกข์ให้ ในเกาหลีอิทธิบารมีของหลวงพ่อจง ข้าศึกก็ล้มตายอย่างย่อยยับหรือ 5 ชั้นด้วย 10 เท่าไม่ แล้วก็ไม่น่าจะเป็นแล 5 ชั้น 4 ทิศหลุดรอด สารพัดธรรมต้องชนะอาธรรมไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ดีทหารไทยที่รอดตายเกือบครึ่งขนานนามในสมรภูมิ 16 ดอกบ้างบ้างก็ และจํานวนทหารผู้รอดตายเหล่านั้นเชื่อว่าบรรดาเครื่องลางของแล 16 ดอกและเสื้อ สมัยเมื่อเป็นภิกษุในระยะ 10 พรรษาแรกเป็นระยะกำลังอยู่ คือหลวงพ่ออินทราสิกขาบวชไปประกอบอาชีพ สมัยนั้นชาวบ้านมีสิทธิ์เลือก จะยากดีมีจนหรือ ตามปัญญาของท่านโดยควรแก่ฐานานุรูปและกาลเทศะของผู้ขอ จนอิ่มตามความพอใจไม่ 30 เศษหลังจากที่ได้เดินทางบุกดง แต่เมื่อได้อีกทั้งเป็นเมืองต่างด้าวเท้าต่างแดนพูดกันไม่รู้เรื่องรวบเรื่องนี้ให้ญาติและ ด้านแรกยามร้อนก็ร้อนจัดที่สุดผู้เดินทางผ่านดงยิ่งใหญ่ทั้งสองคือจะต้อง เหมือนแนวกำแพงชั้นแล้วชั้นเล่าไม่มีสิ้นสุด ผู้ที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยก็เหมือนกันสัตว์ 4 เท้า 2 เท้าไหนเลยจะ เป็นแต่เพียงหูเหรอหึๆตีหน้าตายเหมือนไม่แยแสต่อสรรพสิ่งที่น่ากลัวสะยุสยองตามคำบอกเล่าเหล่านั้นแม้แต่น้อยคำพูดของท่านได้พูดสั้นๆห้วนๆตามนิสัยซึ่งผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่าหลวงพูดอย่างงั้นน่ะเอาช้างฉุดไว้ก็ไม่อยู่ท่านบอกไม่เป็นไรหน้าฉันศรัทธาอยากจะไปจริงๆนะ ในใจท่านแน่วแน่เป็นปการาชนิการ และ 2450 หลวงพ่อจงพร้อมด้วยย่ำ 2 ย่ำยาวศอกเศษ มุ่งหน้าไปสู่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่สระบุรีเข้าดงพญาเย็นดงพญาไฟต้องใช้เวลาถึง 4 วันกว่าจะผ่านไปได้เพราะหนทางเดินนั้นขวางกั้นไปด้วยอุปสรรคบางแห่งหนาแน่นไปด้วยดงหญ้าและเถาวัลย์รกทึบยิ่งกว่านั้นบางตอนก็ต้องเดินผ่านห้วยลึกและหุบเหวซึ่งมองหรือสังเกตไม่เห็นได้โดยง่ายว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เดินบางตอนก็ไปออกทางคุเยนและริมทางน้ำซึ่งมีทั้งรอยตีนเสือช้างหมี ที่เป็นรอยใหญ่ๆก่อให้เกิดความหวาดหวั่นก็ไม่ได้เกรงกลัวครั้งก็เดินหลง รู้จากแสงตะวันที่เผอิญทางเดินไป 4 ขณะที่อยู่กลาง หลวงพ่อจงและพระภิกษุอีก บ่ายวันนั้นก็ได้เดินทางหลุดรอดจาก แต่บังแหล่งก็เต็มไปด้วยอสรพิษหลาย แต่สัญชาติญาณระวังภัยและสันดานดุโดยกําเนิดของมันตาม ที่วัดตะพานหินก็ได้มีพระภิกษุอีกรูปนึงขอร่วมทางไป และทิ้งซากศพไว้เพียงครึ่งเดียวหลวง 3 รูปจากพิษณุโลกมุ่งเข้าสู่แม่สอดเดินขึ้นไป จึงคงเหลือเพียงหลวงพ่อจงแต่ ก็รู้สึกใจคอหดหู่แล้วก็สลด แบบไหนจะเป็นยอมนักรบผู้เกลรียง ให้รูปกายใดถัดพรสัญญาไม่ว่าจะ ก็กลับทําให้บังเกิดเพิ่มพูนอํานาจใจให้ทวีความกล้าแข็งยิ่งขึ้นที่พม่าแม้ว่าจะพูดจากันไม่รู้เรื่องในตอน หลวงพ่อจงต้องเดินทางเพียงรูปเดียวอย่างโดดเดี่ยวด้วย ส่วนภิกษุผู้ร่วมทาง 7 องค์ถึงแก่มรณภาพไป จิตใจของท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติไม่เคยสู้ กิ่งยางต้นใหญ่จนต่อมาภายหลังจึงเสียชีวิต 2-3 คนอบหลุดลงมา ว้าวมาเมื่อมเลยพวกปราดเข้ามาไวท่านก็มองจ้องอยู่นี่ถ้าจะตรงเข้าจู่โจมเล่น 2 เมตรเห็นจะได้ พุ่งปราดผ่านกองไม้ริมน้ําเข้ามา ทันทีทันใดเหมือนกับราวกับถูกเบรกห้ามล้ออย่างแรงมันชะงักพรืดเสร็จแล้วก็บิด ตะขาบกระเด็นหลุดออกไปปรากฏว่าตรงสะดือขาด ตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อจงท่านก็ทวีความเชื่อมั่นในการบำเพ็ญบารมีแสวงหาอิทธิจนปรากฏว่าหลวงพ่อจงประสบความสําเร็จสมมโนหมายในวิถีซึ่งท่านต้องการจะ ภายหลังต่อมาหลวงพ่ออภิญญาความเป็นผู้รู้ใน การสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรอันไม่ควรขาดกระทําหลวงพ่อจง แล้วก็ได้ประสบพบแต่ความสุขสําเร็จประสงค์ฐานันดรและสภาวะ มักการกลางหรือว่าเป็นน้ำหนักควง อ่าบางครั้งแม้แต่มีใครไปเล่าเรื่องของคนไม่ดีทำ ใครดีค่อยคบหากช่วยกันได้ก็ควรจะช่วยกันไปมาหาช่วยคนคิดผิดให้คิดถูก ปรับตัวประพฤติชอบนั้นเป็นกุศลมาก เสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการ ว่ามีอยู่คราวนึงเด็กวัดเนี่ย 3,000 บาทเงินจํานวนนั้นน่ะมีคนศรัทธา เด็กๆมันก็อยากได้ตามภาษาเด็กแล้วเด บอกว่าต่อไปในไอ้การจะทําอะไรจง จนตอนระยะวัยสูงขึ้นมีสภาพของคนชราตอนระยะวัยสูงขึ้น ท่านพอใจสภาพที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้า เพราะบยุตตําแหน่งบรรดาศักดิ์มันเป็นเรื่อง เมื่อเข้าแสวงหาวิถีทางให้รอดพ้น เรเราก็ต้องบำเพ็ญแนวทางตามความรู้ของพระธรรมให้เช่นว่าเรามุ่งมาเป็นนัก แต่การที่อาตมาไม่นิยมมีสมณศักดิ์มาประดับ ประกอบกิจกรรมสุดแต่จะมีผู้นมัสการในด้านวิทยาคมแล้วก็มีช้อนซ่อมสําหรับตักอาหารก็ แต่บังเอิญมีผู้ใจบุญเขาบริจาคเหตุฉะไหนจึงต้องมา ทั่วประเทศมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแก่ จิตทั้งหลายปราศจากระดับอิทธิแห่งพลังเท่าเทียมกันแต่ ผู้นั้นก็ย่อมจะมีพลังจิตอ่อนไหวกลัวผีเสมอ เป็นขุมพลังความเชื่อคือพลังของโลกและพลังของชีวิตจิตไม่มีที่สิ้นสุดเป 8 เป็นทางเดินไป ถ้าเริ่มขึ้นด้วยความไม่เชื่อก็ไม่ครั้งที่ 2 ก่อนเดินทัพจะความเป็นอริยสงค์มีพิธี ลักษณะใบหน้าของท่านอิ่มเอิบดวงตาวาววับด้วยแสงเมตตาใคร ประจักษ์ในอัธยาศัยแล้วส่วนมากที่ได้เห็นไมตรีที่ท่าน ก็ผ่ากันเคารพสักการะศรัทธาในตัวท่านมากที่ 2475 สมัยปฏิวัติ ท่านจอมพลฟื้นรณภาอากาศฤทธาคณีพลอากาศเกียรตินัก เมืองสตรึงแต่งแล้วก็อื่นๆอันเป็นฐานทัพอยู่บนทองเคเมเค 3 เครื่อง รวมกันทักทายเครื่องบินรบกระทันหันก็ดิ่งหัว 500 เมตรเสร็จแล้วก็ตั้งลำ แค่นั้นเองเครื่องบินศัตรูผู้พยองก็ม้วนเอียงลำดิ่งพสุธาพร้อมกับควันดำขมุงจาก ฝรั่งผูก็ตัดกลางลำเครื่องบินข้าศึกเป็นรูพรุน โดยเขาบอกว่าการที่ทําอากาศของเขา ท่านเคยพูดว่าเมื่อได้เหาะขึ้นเบื้องสูงแล้วมันหายใจสบาย ตอนนั้นเองหลวงพ่อจงก็นึกสนุกขึ้นมาเพราะว่ามองเห็นวัดของท่านมีขนาดเล็กนิดเดียวก็เลยบอกแก่นักบินว่าจะหยุดสักครู่ได้ไหมอ่าเสร็จ ไม่มีอาการพุ่งไปหน้าจะหล่นวูบลงนักบินตกใจเลยยังคิดไม่ออก แล้วก็ได้ยินหลวงพ่อจงพูดยิ้มๆบอกว่าลง แล้วแต่ละองค์มักจะได้รับนิมนต์ไปทําพิธี สมกับคํายกย่องจากบุคคลทั่วประเทศว่าเป็นเกจิอาจารย์ชั้นบรมครูแต่ในกลุ่มนี้ดูเหมือนหลวงพ่อจงจะเป็นผู้ได้จาริกเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ เราต้องไปทําพิธีอะไรตามคํา และโดยมากผู้ที่วิงวอนขอท่านช่วยปลดเปลื้องช่วยเพราะว่ามัน เช่นหลวงพ่ออุบาสีหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อปานพระอาจารย์ฟ้อน ก็อาราธนาขอให้เหล่าเกจิอาจารย์เนี่ยปีนขึ้น อาจจะงอหักหรือว่าล้มลงมามีอันตรายได้ เอ่อเคยได้ยินว่าท่านก็มีพลังเจิดในทางทําตัวเบาเป็นเยี่ยมเสร็จแล้วก็ชี้ฉัตรด้านข้าง แล้วก็เดินดุ่มไปหาฉัตรที่ห่างออกไปราวแลแลแล 5 ศอกหลวง เรื่องราวเกี่ยวกับความเก่งกาจแข็งแข็งซึ่ง กล่าวท้าทายทำความว้าวุ่นหลายครั้งหลายคราวต่อภิกษุสงฆ์ไทยๆนานาว่า ปุ๊แล้วทั้งก็ปีนดับดับซึ่ง 10 นาทีต่อมาไฟป่า พร้อมทั้งมีจิตใจหันไปเคารพศรัทธาเลื่อมใสต่อภิกษุ แต่อาตมาจะเคยทําอะไรมาบ้างถ้า ชีวิตท่านดําเนินตามแนวพุทธวิถีตามพระธรรมคําสอน อวัยวะทุกอายุ 92 ปีแล้วก็ยังสามารถสนเข็มได้โดยตนเองยกเว้นจากหูอ่านหนังสือได้บริเวณในวัดนอกวัดไม่ต้อง แล้วก็ไม่ชอบให้ใครทําหากก็ให้มาทําเองด้วยความสมัคร 5 คนอยู่ประจําเสมอตั้งแต่วัดหน้า พระกุรมิมีทหารยศใน 10 กว่า 1 เกิดอาการมึนเมาคล่องสติไม่อยู่อารวาทไล่ตี ก็มีคนวิ่งกระหืดกระหอบไปแจ้งท่านบอกอยู่ๆก็อวดครั้งนึงมีนายทหารชั้นร้อยโทเป็นทหารผ่านศึก อยู่มา 2 ปีเศษเงินของวัดก็อีก กล่าวซักบอกว่าอีก 4 วันต่อมาบุรุษพิการขาๆกลายเป็นคนบ้าบ้าขนาด น้ำมันมนต์ของท่านเนี่ยสร้างเองโดยหุงเดือดแล้วของๆของ ของผู้ที่มีบุญเช่นพิธีพุทธาภิเษกเหรียญ 25 พุทธศตวรรษตลอด 94 ปี คือพิธีพุทธาภิเษกสร้างเหรียญพระบรมรูปพระ หลวงพ่อจงไม่เคยมีอารมณ์หลงอยากจะได้นั่นได้นี่มาเป็นเช่นสร้างกุฏิซึ่งเก่าคับเช่นตะเกียงเจ้า หากวัดอื่นญาติจนกว่าก็ขอไปใช้หมาย เสร็จมีผู้อาสาไปเอาคืนก็ไม่เอาคืนให้มีท่านก็เพียงแต่ครางฮึๆในคอเสร็จแล้วก็ห้าม แต่ท่านก็ไม่เคยว่ากล่าวใครสักกี่รายพิเศษอ่าในแบบสังคมปัจจุบัน เพียงแต่ว่าเป็นตอนเช้า 6:00 น. นเท่านั้นท่านฉันเค้าต้มหมูชามขนาดกลางชามนึงน้ําชากาแฟไม่ฉันปีแต่ต่อมาก็ มีผู้ถามว่าของๆบอกว่าตั้งใจอดจริงๆน่ะอย่าง อย่างไรนอกจากอยู่ที่วัดของท่านแต่ถึงอยู่ที่วัดของท่านเวลาเข้านอนของท่านคุยกับเขาไม่เป็นเวลา ชวบจนวัยอย่าง 90 เป็นต้นมาลูกศิษย์ลูกหาเกรงกัน 10 นาทีจากนั้น วิธีนอนของท่านเป็นอย่างนี้ตลอดไปแปลกตอนแรกจะนอน 4 จากนั้นเสร็จ เรียกร่วมโดยภิกษุรูปวัดอยู่อย่างเนี้ยเป็นนิดมาถึงวาระสุดท้ายของท่านวัดสงฆ์ร่วมโดยภิกษุรูป 24 มกราคม 2508 ทุกคนผู้ ตอนสายๆก็มีข่าวว่าหลวงพ่ออาพาธด้วยโรคอัมพาตหมดความรู้ 6:00 น. เช้าวันที่ 24 มกราคมหลวงพ่อเข้าสุขาตามเวลาปกติขณะเสร็จกิจแล้วท่านลุก สังเกตเห็นว่าปากข้างขวาของท่านเบี้ยว เพราะว่าทุกคนซ่อนความทุกข์ไหนแต่ไรมาหลวงพ่อไม่ระยะ 7 วันแรกหลวง 7 วันแล้วเสียง 99 ปี ประกอบกับฉันอาหารได้น้อยด้วยต่อมาคณะศิษย์ ก็ขอให้พอทุลาวพอนั่งได้ก็ยังดีขอให้พอทูลเอาพอนั่งได้ก็ยังดีเพราะโรคนี้ เมื่อท่านเจ็บปวดก็เป็นเพียงแสดงอาการสายหน้าไปมาให้ ได้นิมนต์พระมหาแสวงปริยันท์ 5 วัดสันติคารามมาสาธยายโพชังคปฤติอุนทหิตวิชัยคถาพระพุทธคุณธรรมคุณ สดับรับฟังอาการอยู่ทุกวันอย่างแน่นขณะทุกคนมีใจตรงกันอยู่จุดเดียวคือสนองพระคุณๆบ้างบรรดาศิษย์ก็ หลวงพ่อท่านชราภาพมากแล้ว แล้ววาระแห่งความสุขสลดก็มา 11 กุมภาพันธ์ 2508 ค่ำลงแล้วดวงจันทร์ใกล้ ไม่มีวี่แววว่าอาการจะทุรหนักลงเลยได้แม้ว่าหลวงพ่อ รัจจันคูจรขึ้นสู่วันใหม่ดิถีแห่งวันมาฆะปุรณามีวัน จับชีพจรดูก็ 1:55 น. ของ 17 กุมภาพันธ์ 2508 หลวงพ่อจง สิริประมวลอายุได้ 93 ปี 10 เดือน 17 วันครอง 72 พรรษานับ 24 วันหลวงพ่อ ไปประเสริฐแล้วขอให้ดวงวิญญาณอันเปี่ยมบดีความ 72 พรรษาของหลวงพ่อ โพทนเสนงคงสําคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สกิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอได้รับความขอประกุลจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมนลวันเรืองรัตนสุนทรสวัสดีครับ